ตอนนี้เป็นสำนักสงฆ์แล้วไอ้ศูนย์ศึกษาปฏิบัติเลยเซนเตอร์เนี่ยไม่มีแล้วนะตอนนี้เป็นสำนักสงฆ์ส่วนสันติธรรมเอาโมทนาสิ <c oughs> <c oughs> ต้องให้สอนทุกเรื่องเลย <c oughs> โมทนาสาธุพร้อมๆกันนะ เอาใหม่เอาใหม่สาธุเออต้องอย่างงั้นสิพอเป็นวัดแล้วต่อไปไม่มีวันปิดแล้นะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีวันปิดปิด <c oughs> ปิดประตูก็ปิดกันหมาว่าไม่มีวันเปิดวันปิดหรอก <c oughs> แต่จะมีวันว่าวันไหนแสดงธรรมนะ บางวันก็ไม่อยู่นะก็คงแบบเดิมนี่แหละนะวันอื่นอยากมาก็มามาไหว้พระมาะเลยนะไม่มีใครเทศหรอกรรนะมาทีแรกนะโยมสร้างขึ้นมาไม่ได้กะว่าจะเป็นวังเป็นวัดอะไรหรอกนะตอนที่เขาเรียกอะไรนะในใบปรนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ไม่ได้สร้างวัดมีพระบางองค์ท่านแนะนำเป็นวัดแล้วงานเยอะนะชุงประชุมนี่เมื่อต้นปีคนมันโดมตีหลวงพ่อมากมากแล้วเป็นอะไรไปเนี่ยตรงนี้มันไม่ดีจะทิ้งไว้เฉยๆนะเลยคิดว่าตั้งวัดดีกว่าให้เป็นของศาสนาไปนะไม่ได้เป็นของบุคคลไป เลยไปทำเรื่องขอตั้งวัดเริ่มตั้งแต่มกุฎาไปเจอผู้ว่านะผู้ว่าบอกให้มาเป็นประธานสร้างวัดหน่อยนะแกก็ เ, เอาน ะ, ะานี่มหาเถราสมาคมท่านอนุ ญ, ญาตละนะอนุ ญ, ญาตหลวงพ่อก็หมดภาระสุทีว่าเราไม่ต้องดูแลรักษามากแล้ว ต่อไปก็เป็นของสงดูแลรักษากันเองนะเมื่อชาวเทศถึงเรื่องอะไรนะรู้สึกมันไม่จบนะโอ้สมาธินะ่ะมีสองชนิดนะอย่างบางคนบอกว่าหลวงพ่อสอนอะไรประหลาดนะสอนให้รู้สภาวะเพื่อให้เกิดสตินะลูกศิษย์หลวงพ่อต้องตอบเป็นนะว่าหลวงพ่อสอนอะไรไม่ใช่หลวงพ่อสอนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ฟังแล้วโหดหูใจนะหลวงพ่อสอนให้พวกเรามีสตินะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจได้การจะมีสติขึ้นมาได้ต้องรู้สภาวะเพราะในพระอภิธรรมสอนชัดเลยว่าทีละสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นนะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะ มีสติก็รู้กายมีสติก็รู้ใจแต่ยังไม่มีปัญญาปัญญาคือการเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์สติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ปัญญาอยู่ๆไม่เกิดหรอกอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่เราต้องรู้สมาธิมี2ชนิดชนิดที่1เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานการเพ่งอารมณ์ชนิดที่2ชื่อลักขณูปนิชฌานนะการไปเพ่งลักษณะการรู้ถึงลักษณะลักษณะก็คือไตรลักษณ์นั่นเองนี่ส่วนใหญ่ที่เรียนเรียนนะตั้งแต่หลวงพ่อเด็กๆกทําได้แค่อารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์ ตอนเด็กๆหัดรู้ลมหายใจก็รู้แต่ลมหายใจนะจิตแนบไปที่ลมนะลมมันสว่างเป็นแสงอะไรเงี้ยนี่ใจออกนอกเห็นโน้นเห็นนี้ไร้สาระเลยรู้สึกไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยนะออกภายนอกไม่ถูกต้องนะหรือบางทีก็สงบแล้วก็เซ่อเซ่เสื่องซึอมอยู่ที่เดียวนะสงบนะมีความสุขมีความสงบใจเฉ ย, ยอยู่นะั้น่ะไม่มีปัญญา ไม่เกิดปัญญานะสมาธิชนิดที่เพ่งตัวอารมณ์เนี่ยไม่ทําให้เกิดปัญญาแต่ทําให้ได้แรงทําให้ได้แรงนะถ้าฝึกสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ได้ถูกต้องจิตสงบลงไปนะมีเรี่ยวมีแรงนะจิตมีกําลังมีความสดชื่นพร้อมที่จะไปเดินปัญญาต่อได้ง่ายนะงั้นบางคนที่หลวงพ่อจําจี้จำชัยพวกเราบอกให้ไปทําในรูปแบบทําในรูปแบบนะอันนั้นแหละจะได้กําลัง เช่นพูดโธ ท, ทุกวันพูดโทไปเรื่อยสวดมนต์ไปนะจิตไหลไปลรวรู้ทันไหลล้วรู้ทน i, ัทนไปเรื่อยนะจิตก็สงบเพ้่มาไม่ฟุ้งซ่านไปจิตที่สงบจะมีกำลังร่างกายกับจิตไม่เหมือนกันนะร่างกายต้องเคลื่อนไหวถึงจะมีกำลังจิตสงบถึงจะมีกำลังนะกลับข้างกันร่างกายสงบไปเรื่อยไม่มีแรงต้องเคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหวตลอดเวลาอยู่แล้วไม่มีแรง จิตของเราเคลื่อนไหวทั้งวันทั้งคืนฟุ้งซ่านไปเรื่อยไม่มีกำลังจริงหรอกเพราะงั้นการทำสมาธินะให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยจะได้แรงนี่สมาธิชนิดที่สองชื่อลักขณูปนิชฌานสมาธิชนิดนี้ไม่ใช่สงบขันห้าทำงานตามปกติได้เลยไม่จาเป็นต้องสงบมีสมาธิอยู่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวนั่นแหละนะ ฟุ้งซ่านอยู่ก็ยังมีสมาธิอยู่ได้นะอัศจรรย์มากเลยสมาธิชนิดนี้ไม่จําเป็นที่จิตต้องสงบนิ่งแน่วอยู่ในวลมเดียวนะแต่จิตนั้นตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้เพ่งจิตของเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งทั้งวันทั้งคืนรู้สึกไหมคิดทั้งวันทั้งคืนพอคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เป็นผู้เพ่ง นะเพ่งกายบ้างเพ่งใจบ้างสิตนะที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ได้เผลอไปอยู่ในโลกของความคิดในขณะเดียวไม่ได้เพ่งไว้มันตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้จงใจให้ตั้งมั่นเหมือนสตินะสติที่แท้จริงเกิดเนี่ยโดยไม่ได้จงใจให้เกิดนะสติที่ต้องจงใจให้เกิดเป็นสติที่ยังมีกำลังอ่อนอยู่นะในอภิธรรมเขาเรียกว่าอาสังขาริกังนะไม่ต้องน้อมให้เกิด เกิดอัตโนมัติถึงจะมีกําลังกล้านะแล้วสติก็ฝึกหัดรู้สภาวะไปเรื่อยจนมันเกิดอัตโนมัติไม่ได้จงใจจะเกิดสติเลยสติเกิดเองฝนะึกสมาธิก็เหมือนกันนะสมาธิที่จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะต้องค่อยๆฝึกเอานะจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปคิดบ้างจิตไหลไปเพ่งบ้างคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเรื่อยๆนะในสุดมันจะเห็นเลย จิตเคลื่อนไปปุ๊บมันรู้ทันนะจิมจะตั้งขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วเนี่ยดูลงนะดูลงในกายมันจะเห็นกายเป็นของถูกรู้เนะีย่ยเวลาฝึกนะวิธีฝึกง่ายๆเลยพวกเรานั่งสมาธิเข้านะนั่งสมาธินะจะพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้ แต่ไม่ได้พุทโธเอาสงบไม่ได้หายใจเอาสงบถ้าพุทโธเอาสงบหายใจเอาสงบเนี่ยใช้พุทโธมากล่อมให้ใจสงบใช้ลมหายใจมากล่อมให้ใจสงบหรือเอาท้องพองยุบมากล่อมให้ใจสงบอันนั้นสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวสงบอยู่กับพุทโธสงบอยู่กับลมหายใจสงบอยู่กับท้องเรียกว่าอารามณูปนิชฌานเป็นสมถกรรมฐานนี่เราจะฝึกสมาธิชนิดที่สองนะสมาธิที่ตั้งมั่นไม่ใช่สงบ ตั้งมั่นกับสงบต่างกันสงบมันก็แน่วอยู่ในรมเดียวนะตั้งมั่นเนี่ยมันจะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดนะูจิตจะถอนตัวออกจากปรากฏการขึ้นมาเป็นผู้สังเกตการเห็นปรากฏการของรูปธ ร, รรมของนมามธรรมนาะไหลหผ่านหน้าไปเรื่อยๆจิตจะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองนะสมัยก่อนเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านชอบเรียกว่าจิตผู้รู้นะมีจิตผู้รู้ วิธีจะฝึกให้เกิดจิตผู้รู้นะทำกรรมฐานสักอันหนึ่งอย่างที่พวกเราเคยทำนี่แหละแล้วค่อยดูไปนะค่อยดูอย่างเรานั่งหายใจไปเนะี่ยค่อยๆดูไปร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูนะร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูค่อยๆทำความรู้สึกขึ้นมานะค่อยดูไปเออไอตัวนี้มันหายใจนะดูเหมือนเห็นคนอื่นหายใจอนะ่ะดูแบบนั้นนะ่ะนะเดินจงกรมก็ได้เดินไปแล้วก็ค่อยๆรู้สึกไปร่างกายที่เดินอยู่นี้เป็นของถูกรู้ถูกดู จิตเป็นคนไปรู้ไปดูมันดูมันเหมือนเห็นคนอื่นเดินนะฝึกอย่างนี้นะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสวนารามมณูปนิชานนะั้นนะ่ะนะอยู่กับพุทธโธนะจิตไหลไปแล้วรู้มันก็กลับเข้ามาสงบจิตไหลไปแล้วรู้ก็กลับมาสงบหรือโลรู้ลมหายใจอยู่จิตไหลพิคิดรู้ทันนะจิตก็สงบเข้ามานะหรือไปเพ่งลมหายใจรู้ทันนะจิตถอนออกมาก็สงบขึ้นมานะันนั้นรู้ทันรู้ทันไปนี่ถ้าจะหัดแยกนะ ให้จิตเป็นผู้รู้นะค่อยๆสังเกตนะร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูเริ่มจากร่างกายก่อนง่ายที่สุดเลยนะดูกายของตัวเองเหมือนเห็นคนอื่นอา้าวทุกคนหลับตาซิหลับตานะยิ้มยิ้มนะยิ้มมีฟันก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะรู้สึกไมมร่างกายนี้ยิ้มอยู่อา้าวหน้าเบื้องรู้สึกไหมร่างกายหน้าเบ้ง อพอหายบึง้งนะยังไม่ต้องลืมตายกมือข้างขวาขึ้นรู้สึกไหมร่างกายมันยกมือใจเราเป็นคนดูนะเอามือลงเห็นไหมตอนที่เอามือลงนะร่างกายที่เคลื่อนไหวนะันะ่ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูนะใจเป็นคนรู้คนดนะนะูหัดอย่างนี้บ่อยๆนะลองไปหัดดูนะเพราะนั้นนั่งสมาธิไปก็ได้แล้วก็เห็นร่างกายมันหายใจไปเรื่อยๆมันเป็นของถูกรู้ถูกดูนะหัดอย่างนี้ ในสุดใจมันจะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาพอนั่งไปนานๆความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นความปวดความเมื่อยเกิดที่ไหนบางคนเกิดที่ขาบางคนเกิดที่เอวบางคนเกิดที่หลังบางคนเกิดที่คอแล้วแต่ว่าจะเกร็งตรงไหนเกร็งตรงไหนมากก็ปวดตรงนั้นก่อนนะบางคนก็ปวดขาพอความปวดที่ขาเกิดขึ้นค่อยดูไปความปวดนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูความปวด ความปวดนั้นอยู่ที่ขาความปวดกับขาก็เป็นคนละอันกันขากับความปวดเป็นคนละอย่างกันนี่หัดอย่างนี้นะแล้วใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เราก็จะเริ่มแยกขันได้เราจะเห็นร่างกายนัอยู่ส่วนหนึ่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นเวทนาขันจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นวิญญาณขันการภาวนาการเจริญวิปัสสนานี้การแยกธาตุแยกขันไม่ได้เด็ดขาดเลย ถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่าพูดเรื่องวิปัสสนาเลยนะใช้ไม่ได้จริงหรอกไม่เห็นสภาวะถ้าแยกธาตุแยกขันได้แล้วจะถึงตัวสภาวะแท้ๆนะสภาวะแท้ๆเขาเรียกว่าปรมัตถธรรมนะอย่างความโกรธนี่เป็นสภาวะแท้ๆคนไทยกโกรธหรือคนจีนโกรธคนฝรั่งโกรธนะก็ความรู้สึกอย่างเดียวกันเลยนะเป็นสภาวะแท้ๆเลยอย่าแต่คําว่ากโกรธเนี้ยนะฝรั่งก็เรียกอย่างหนึ่งคนไทยเรียกอย่างคนจีนเรียกอย่างอันนี้ไม่ใช่สภาวะ นะไปเรียกว่าบัญญัติจะเดินวิปัสสนาได้ต้องเห็นตัวสภาวะแท้ๆเลยตัวปรามัตธรรมแท้ buff, ททๆอย่างไฟมันร้อนความร้อนเนี่ยคนไทยถูกก็ร้อนคนจีนถูกก็ร้อนความร้อนเนี่ยของจริงนะเพราะต้องเรียนจนถึงตัวสภาวาะาแท้ๆหนะรือปรามัตธรรแท้ๆนะแล้วตัวปรมามัตธรรมแท้ๆนะั่นแหละจะสอนไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นสภาวะธรรมไม่เห็นปรามัตธรรมจะไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกได้แต่คิดเรื่องไตรลักษณ์แต่ไม่เห็นหรอก ดังครูบาอาจารย์ท่านฟันธงเลยนะบังองค์ท่านสอนเลยถ้าไม่หัดแยกธาตุแยกขันธ์นะไม่พิจารณาแยกธาตุแยกขันธนะ์เนี่ยอย่ามาพูดเรื่องเดินปัญญาเลยนะไม่ได้เดินปัญญาจริงหรอกถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นเพราะฉะนั้นทําความสงบเฉยเฉยเนี่ยใช้ไม่ได้นะต้องฝึกจนกระทั่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาตรงนี้แหละที่หลวงพ่อมาจ้าจี้จา้าชัยจนบางคนนึกว่าหลวงพ่อไม่ให้ทําสมถะนะเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยสมถะไอ้ทําไม้พักผ่อนแนละ้วก็ทําไปนะ แต่ต้องฝึกสมาธิชนิดใหม่สมาธิที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าไม่มีตัวนี้อย่ามาโ ม, โม้เลยเรื่องวิปัสสนาไม่มีหรอกถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จะเห็นสภาวะธรรมไม่ได้นะจิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ถึงจะเห็นสภาวะธรรมเห็นปรัมมัฏฐธรรมได้นะงั้นเรานั่งสมาธิไปนะนั่งไปเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูพราะความปวดเกิดขึ้นดูลงไปเลยความปวดก็ของถูกรู้ถูกดู ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ปวดมากๆเข้าจิตกระสับกระสายเห็นไหมความปวดอยู่ที่ขาแต่ความกระสับกระสายมาเกิดที่จิตเพราะฉะนั้นความกระสับกระสายกับความปวดเนี่คนละอันกันความกระสับกระสายหรือความปรุงที่จิตนี่เรียกว่าสังขารขันความปรุงที่จิตน่ะเรียกว่าสังขารขันร่างกายนี้เป็นส่วนของรูปขันความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เช่นความปวดความเมื่อยนี่เรียกว่าเวทนาขัน พอความปรุงแต่งทางใจเกิดขึ้นเรียกว่าสังขารขันตัวจิตเป็นวิญญาณขัน ห, ห์ใชหักแยกขันห์นะเพราะร่างกายปวดมากๆจิตกระสัพกระสายนะกลมกระสับกระสายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอีกกระสับกระสายมากๆโมโ ห, โหเลยอย่างตะก่อนนะบางคนไปภาวนาตามวัดครูบาอาจารย์พาภาวนาตั้งแต่ตีสามเนบางวัดนะตั้งแต่ตีสนะ่จนถึงหโมงเช้านะ ตอนเย็น6โมงเย็นถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มนั่งสมาธิกันอย่างเดียวเลยนั่งไปนั่งไปชักมโหอาจารย์นะไม่นั่งนานไปใครเคยเป็นบ้างไหม <c oughs> นี่นี่สารภาพแล้วนะมันต้องมีบ้างลหละหลวงพ่อก็เคยเป็นไม่ใช่อะไรหรอกนั่งนานนะลืมตาไหมนะ <c oughs> ยังนั่งอยู่เดี๋ยวตา น, นี้บ้าง <c oughs> ตาไหนก็ยังนั่งอยู่ตลอดเลยนะไปบางที่เราไม่ถูกจฉลี่กับการนั่ง นั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกเงี้ยไม่ถนัดเลยเราต้องเคลื่อนไหวถึงนั่งก็นั่งเคลื่อนไหวไม่ใช่นั่งนิ่งๆินี่พอไปทํากรรมฐานที่มันไม่ถนัดนะนั่งแล้วอึดัดนะนั่งโอ้โหทิ้ง4ชั่วโมง5ชั่วโมงนั่งกันได้อย่างงั้นนั่งแล้วหงุดหงิด น, นะความหงุดหงิดเนี่ยเกิดขึ้นที่ใจใช่ไหมงั้นตัวนี้เป็นสังขารขันนะเป็นความรู้สึกที่ปรุงขึ้นทางใจนะตัวนี้เป็นสังขารขันแต่ความสุขทางใจเป็นเวทนานะความสุขทางใจก็เป็นเวทนาขัน เนี่ยค่อยๆหัดไปนะหัดแยกธาตุแยกขันไปด้วยเริ่มตั้งแต่นั่งอยู่เห็นกายมันนั่งใจเป็นคนดูความปวดเกิดขึ้นก็เห็นเลยความปวดเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะความกระสับกระส่ายเกิดขึ้นก็เห็นเลยความกระสับกระส่ายเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูพอเริ่มต้นอย่างนี้ได้ต่อไปนะจะความรู้สึกอย่างอื่นมันก็แยกได้ความโกรธเกิดขึ้นมันก็เห็นนะความโกรธเป็นของถูกรู้ถูกดูอีกความโลภก็ถูกรู้ถูกดูความสงบความฟุ้งซ่านความหวดทู ความดีใจความเสียใจนะเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยความกลัวความอิดฉานะความอาฆาตพยาบาทความเศร้าโศกเสียใจนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยเป็นแค่ความรู dreams, sky, needles, dreams, ้สึกเพ่นันเองจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าหัดอย่างนี้เรื่อยๆนะมันจะเริ่มเห็นเลยร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกอย่างนี้จะเกิดขึ้นความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราจะเกิดขึ้นเอาดูพัดดูพัด เห็นไหมพัดนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูใครรู้สึกว่าพัดเป็นตัวเราบ้างรู้สึกก็เพี้ยนละใช่ไหอ้าวดูมือตัวเองทุกคนดูมือของตัวเองสังเกตไหมมือเป็นของถูกรู้ถูกดูนะมือมันบอกไหมว่าเป็นเรามันไม่พูดหรอกว่ามันเป็นเราเนะั้นดูไปเรื่อยๆนะอะไรถูกรู้อันนั้นไม่ใช่เราหรอกนะดูไปเรื่อยๆต่อไปนะพอชำนี้ชำนานขึ้นจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เกิดในร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆที่เกิดที่ใจไม่ใช่ตัวเราความปรุงดีความปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราจะเห็นในความโกรธไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าเราหัดนะใจเราเป็นคนดูอยู่พอความโกรธเกิดขึ้นมันจะเห็นว่าความโกรธเป็นแค่สภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเอง ไม่ใช่เราไม่ใช่คนด้วยใครเห็นความโกรธเป็นคนก็เพี้ยนละใครเห็นความโกรธเป็นตัวเราก็เพี้ยนล้ใคร เ, เห็นความโกรธเป็นคนอื่นก็เพี้ยนละความโกรธเป็นแค่สภาวะธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่แหละคือการเดินปัญญานะคอยตามรู้ตามดูไเรื่อยมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตั ว, ม, ตวมีตนมีเรามีเขาขึ้นมาได้อันนี้มองในมุมของอนัตตานะแล้วมองในมุมของอนิจจังก็ได้นะร่างกายเราใจเป็นคนดูอยู่นะ เห็นเลยร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายเดี๋ยวก็หายใจเข้าสั่งมันไม่ให้หายใจแนละ้วก็อยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวก็หายใจอีกนะร่างกายเนี่ยเราสั่งมันไม่ได้จริงหรอกสั่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวความสุขความทุกข์ทางร่างกายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายใช่ไหมมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาพอขยับ zeit, นิดเดียวความปวดความเ <ing> มื่อยก็ดับไปอันนี้มองในมุมของอนิจจังใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่จะมองมุมอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยได้ทั้งสามมุมแต่อย่าไปมุมที่อื่นนะ ได้3มุมเท่านั้นวิปัสสนามีแค่นี้แหละนี่พอเราดูซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกไปในที่สุดมันจะเห็นเลยสภาวะธรรมทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับได้มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไปบังคับไม่ได้อันนี้สําหรับพวกปัญญากล้าเห็นขนาดนี้พวกปัญญาไม่กล้าก็เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับหมดเลยความโลภเกิดแล้วก็ดับความโกรธเกิดแล้วก็ดับความหลงเกิดแล้วก็ดับ ถ้าพวกมีปัญญากล้าก็จะรู้เลยมันเกิดมันดับไม่ใช่เราสั่งได้นะมันเป็นไปตามเหตุของมันถ้ามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับเนี่ยอย่างพระสารีบุตรปัญญากล้าใช่ไหมได้ยินธรมะะธรมะว่าเยธรรมาเหตุตุปปาเตสั่งเหตุงตถาคตเตสั่จยโยนิโรโถดใจวังวาติมหาสมโนติทำทั้งหลายก็คือสภาวะร ท, ทั้งหลายนั่นแหละ เรียกว่าธรรมทั้งหลายสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตถ า, าคตเจ้าแสดงเหตุของธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นดับไปก็เพราะเหตุดับนั้นท่านมีปัญญากล้าท่านมองในมุมของอนัตตาไปเลยนั้นพวกเราเอาสักอย่างนะหัดแยกธาตุแยกขันไปสมาธิชนิดนี้จะเกิดขึ้นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นธาตุขันเห็นสภาวะธรรมแสดงไตรลักษ สมาธิชนิดนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานนะตัวนี้สําคัญมากเลยที่หลวงพ่อสอนจ้าจี้จา้าชัยนักหนาก็เพื่อให้มีตัวนี้ขึ้นมาอย่างบางคนหลวงพ่อบอกตื่นแล้วตื่นแล้วนะก็คือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานนั่นเองบางคนเข้าใจผิดหลวงพ่อบอกว่าตื่นแล้วนะนึกว่าเป็นพระโสดาบันยังไม่เริ่มมีปัจสนาเลยน ะ, ะยังไม่ได้ดูรูปดูนามเลยแยกรูปแยกนามเลยแค่รู้สึกตัวตื่นขึ้ น, นมาหลุดออกจากโลกของความคิดเท่านั้นเอง เมื่อเราค่อยๆฝึกไปนะสมาธิสองชนิดเราก็ต้องรู้บางช่วงจิตก็พลิกเข้าเป็นสมาธิที่เพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์บางช่วงจิตก็ถอดถอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอารมณ์นะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายผ่านมาผ่านไปเราะฉะนั้นจิตเวลาเดินวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยจะไม่เดินวิปัสสนาเพียวๆหรอกจิตจะพลิกเข้าสมถะเป็นช่วงช่วงช่วงตลอดเวลาเลยนะสลับไปสลับมา สมถะเดินอย่างเดียวรวดได้แต่วิปัสนาเดินรวดรวดเนี่ยไม่มีหรอกนะอย่างน้อยจิตต้องพลิกเป็นสมถะเป็นช่วงช่วงช่วงไปนะนั้นเราหัดหน้าหัดไปถ้าเดินวิปัสนาแก่รอบเต็มที่ปัญญาเกิดเข้าใจความเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่ใช่ตัวเรานะตัวเราไม่มีเดีย๋ยนี้เป็นปัญญาระดับพระโสดาบันนะค่อยฝึกไปจนเห็นธาตุเห็นขันทั้งหลายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลย ทุกเพราะไม่เที่ยงทุกเพราะทนอยู่ไม่ได้ทุกเพราะว่าบังคับไม่ได้นะไม่อยู่ในอำนาจจริงเห็นทุกขคือเห็นไตรักนั่นแหละนะเห็นธาตุขันมันตกอยู่ใต้กองทุกนะเห็นอย่างนี้นะก็ก็ถึงที่สุดแห่งทุกนั่นแหละรู้ทุกแจ่มแจ้งก็พ้นทุกนั่นแหละนะนี่ทางเดินนะเรียนไว้ให้ดีๆวันนี้เทศยาวหน่อยไหนๆก็เด็กมาเยอะแล้ว จะให้เด็กส่งกันบ้านนะั้หลวงพ่อกลัวกลัวตอบมันไม่ได้เมื่อวานก็ตอบไม่ได้ตั้งหลายข้อเนะี่ยเด็กถามว่ามนุษย์คู่แรกในโลกชื่ออะไรโถปู่เราชื่ออะไรเรายังไม่รู้เลยเราก็เรียกว่าปู่เรียกว่ายา่านะให้ถามถึงมนุษย์คู่แรกนะี่จนปัญญาจริงๆเลยนะกลัวมากเลยกลัวเด็กถามนะ <laughs> เข้าใจหรื อ, อยังวิปัสสนาทำไงนะ มีปรัชนานะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้ตามความเป็นจริงได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่แหละคือจิตผู้รู้แหละนะมีจิตผู้รู้ได้ก็ค่อยๆหัดไปร่างกายถูกรู้เวทนาถูกรู้สังขารถูกรูนะ้จิตเองก็ของถูกรู้ด้วยนะค่อยฝึกไปก็เมื่ อ, อาวานก็ มีจิตใจที่มีสมาธิมากคือนะคะมีอะไรมีอะไรที่เข้ามากระทบเราก็รู้ค่ะเผื่อไปก็รู้คิดไปก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ค่ะแต่ก็กลัวว่าจะนิ่งก็เลยกลัวว่าจะนิ่งแล้วมันติดสุกอะค่ะก็เลยภาวนาพุทโธไปอะค่ะแล้วก็คือมีอะไรมากระทบใจก็รู้ก็รู้ตามรู้อะไรล่ะรู้ของที่มากระทบหรือว่ารู้ทันใจรู้ทันใจค่ะมันเหมือนรู้ขึ้นมาโดยตตโนมาต้องอย่างนั้นนะ ไม่ใช่ตามองเห็นรูปรู้รูปหูได้ยินเสียงรู้เสียงนั้นยังอ่อนไปตามองเห็นรูปรู้จิตหูได้ยินเสียงรู้จิตเช่นเห็นตุ๊กแกกลัวเกิดขึ้นรู้ว่ากลัวเ<อ>นื้อรู้ที่จิตไม่ใช่รู้ว่าตุ๊กแกมีสี่ขาขานึงมีห้านิ้วใครรู้บ้างตุ๊กแกลอกคราบเหมือนงูเลยใครเคยเห็นไห ม, ไมคนกรุงเทพหน้าสงสารไม่เห็นตุ๊กแกสวยนะ ลายมันสวยมากเลยมีจุดจุดจุดสวยเหมือนคนเป็นฝีดัดอ่ะก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าจิตเสื่อมเป็นยังไงอะไะเสื่อมค่ะจิตเสื่อมไม่มีหรอกนะมีแต่ความรู <c oughs> <c oughs> ้สึกว่าช่วงนี้สมาธิไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาไม่เกิดเคยเกิดแล้วไม่เกิดก็ว่าเสื่อมจริงๆจิตไม่มีเสื่อมหรอกมีแต่เกิดแล้วก็ดับเพียงแต่ว่าจิตบางดวงเป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับ จิตอกูศนเกิดแล้วก็ดับนะช่วงไหนกูศนเกิดบ่อยเราก็บอกเจริญช่วงไหนอกูศลเกิดบ่อยเราบอกเสื่อมจริงไม่ได้เสื่อมอะไรหรอกมีแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสินน้นค่ะแล้วก็ถ้าภาวนาเราเกิดสมาธิอย่างไรอะค่ะจะเสียหายอะไรละ่ะว่าดีแล้วนี่ก็คือตามดูตามรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอครับกติดสุขอะคะอ่ะหลวงพ่อใชจะติดหรือไม่ติดเนี่ยอยู่ที่รู้หรือไม่รู้อย่ากลัวนะอย่ากลัวสมาธิไม่กลัวสมาธิของดีนะ ดันั้นทำไปสงบแล้วมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขพอใจในความสุขรู้ว่าพอใจถ้ารู้ทันความพอใจเนี่จะไม่ติดละไอ้พวกที่ติดสมาธิติดความสุขนั่นอนะ่พะพอพอใจแล้วไม่รู้ว่าพอใจอยู่กิเลสเกิดแล้วไม่เห็นราคะเกิดแล้วไม่เห็นนะัาา่นแลหนนะละถึงจะติดนะมันไม่ต้องกลัวนะหัดดูจิตดูใจแล้วไม่ติดอะไรง่ายหรอกถ้าดูเป็นนะถ้าดูไม่เป็นไปประคองจิตว่างๆวางไว้ก็ติดสุขเลยนั่นดูไม่ถึงจิตแล้วไปประคองให้นิ่งให้ว่าง แต่วันนี้หลวงพ่อเสียงดังนะเนี่ยเพราะว่าหมอเขาให้กินยากแก้เจ็บคอมาอ้าต่อไปใครจะคุยกับหลวงพ่อบ้างเอางี้นะขอที่จำเป็นนะที่จาเป็นคุยเล่นเล่นไม่เอานะร้9สี่ค่ะหลวงพ่อก็ไม่ได้มาส่งการบ้านหลวงพ่อสักพักนานพอสมควรค่ะก่อนหน้านี้เคยรู้สึกว่าตัวเองมี ม, มีเห็นเห็น รู้ทันสภาวะเยอะขึ้นแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราเพ่งหรือว่าเราเครียดเกินไปหรือเปล่าหรือว่าบางช่วงที่เรามีการไม่สามารถอยู่ในสีนได้ทุสีนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยทำไมช่วงนี้เราถึงเพ่งเหมือนแบบดูสภาวะไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเห็นอะไรไปเดินลองไปเดินชอปปิง้งดูก็เอ้ยทไมมัน ไม่เห็นมีความอยากไม่เห็นมีอะไรเลยอลยะไรเงี้ยมันติดเพ่งมันไม่มีความรู้สึกหรอที่หลวงพ่อบอกแต่กียะนะถ้าเราจะดูจิตแล้วอยู่ๆก็ตั้งใจดูแล้วดูลงไปเลยนะไม่มีความรู้สึกหรอกก็เลยปล่อยปล่อยไ ป, ยปยก็เลยบอกเออช่างมันเดี๋ยวค่อยอันนั้นใหม่ออก็เลยใช้ชีวิตไปปกปติแล้วก็ออช่วงเนี้ยค่ะที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือ แ, <ต>แบบต้องต้องถือศีล น, นะเพราะต อ, อตอนที่เราปล่อยให้เป็นปกติเนี้ยปกติของพวกเราคือกิเลสครอบงำนั้นเราต้องถือศีลไว้ก่อน นะแล้วก็ปล่อยให้จิตมันทํางานไปกิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้เ่อกิเลสจะรุนแรงถึงขนาดทําผิดศีลได้ไม่เอาละนะก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะเห็นเห็นสภาวะของการโกรธเยอะขึ้นพอโกรธปุ๊บมันมันจะรู้สึกว่าพอตัวเองกลับมามีสติมากขึ้นเนี่ยมันจะเห็นว่าเราปี๊ดแรงมากเวลาเราเห็นโกรธเราเหมือนเห็นว่าเอ๊ะอันนี้ใครมันยืนโกรธอยู่อะไรเงี้ยเอ อ, อต้องเห็นอย่างนั้นเห็นไม่นมนคนอื่นโกรธเลยนะ แล้วก็ลองไปช้อปปี้อีกรอบนึงก็เผลอบ่อยเผลอไปแป๊บเดียวของกลับมาเยอะเลยแป๊บเดียวแล้วค่ะก็ก็รู้สึกว่าตอนนี้น่าจะดีขึ้นไหมคะก็ดีคือนะฝึกไปเรื่อยๆนะขอบคุณค่ะใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆนะถ้าฝึกไปแล้วใจโล่งว่างออกไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยโล่งๆว่างๆแล้วสบายๆอันนี้ไม่ถูกหรอกนะจิตใจมันต้องอยู่กับเนื้อกับตัว เห็นกายทํางานเห็นใจทํางานเห็นไปอย่างสบายๆนะใจหนีไปคิดเราก็รู้ใจเป็นยังไงเราก็รู้นะใครรู้ร่างกายพยักหน้าเราก็รู้ใครรู้สึกแต่ไม่ได้เพ่งถ้าเพ่งแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้ยใช้ไม่ได้นะรู้สึกเอาฝึกไปนะจิตต้องถึงฐานนะ1้อยหนึ่น่นอย่าถามยากนะอย่าถามว่าพ่อของมนุษย์คู่แรกคือใคร หลวงพ่อครับช่วงที่ได้ไปเข้าคอร์สทางกพพก็ได้เห็นตัวหลงกับตัวหลายๆตัวมากกว่าตอนที่อยู่ที่โรงเรียนหรือว่าที่บ้านเห็นตัวอะไรบ้างนะตัวหลงหลงโกรธอยากโอเ้เก่งฮะต้องอย่างนี้สิส่วนใหญ่ก็จะเห็นตอนก่อน แรกก็เลยก็ตอนแปรงฟันตอนนะอาบน้ํา อ, อแล้วก็ตอนกินอาหารแล้วดีจริงเราบางทีก็ถ้าตอนทํากิจกรรมอแต่เราก็เห็นช่วงก่อนจะนอนแต่ตอนนอนเราไม่ค่อยเห็นนะ อ, อนอนก็นอนไปสินะอนุ ญ, ญาตนะนอนนอ น, น, อนให้หลับไปเลยดีให้ฝึกหนูว่ายุกี่ขวบแล้วสิบครับแล้วรู้สึกไม้มใจเราไม่เหมือนเดิมครับ ใจเป็นยังไงสว่างสว่างขึ้นไหมเบาๆบาไหมมันก็เบาวกว่าตอนที่มามาส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งแรกอนะค่ะเนาะโอ้ดีขึ้นแล้วนะอ ค, คอยฝึกไปนะแล้วเราจะรู้อะไรกิเลสเกิดทั้งวันเลยครับถ้าเราไม่รู้ทันนะเราก็เป็นคนไม่ดีคถ้ากิเลสเกิดเรารู้ทันนะมันก็เป็นคนดีขึ้นมาครับไปฝึกนะครับี่เอาซีดีหลวงพ่อไปให้พ่ อ, ใ ห, พอให้แม่ฟังนะ แม่อยู่ข้างแม่ไหนแม่อยู่ไหนแม่ อ, อ๋อเนี่ยเหรออ้าวทวนต่อไปเบอร์ v 87ค่ะอยากจะขออนุญาตหลวงพ่อค่ะในนามตัวแทนขออนุญาตเป็นตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมกปปคครั้งนี้นะคะอยากจะขอขอบคุณ อ, อ, อาจารย์โพสครูซุปเคแล้วก็พี่สุเมฆมากๆเลยอะคะ่ะที่อาจารย์อะไรนะอาจารย์พฒนาได้ยินอาจารย์โพส <laughs> อาจารย์ยไหนเนาะค่ะ <c oughs> แล้วก็พี่ซุปเคพี่สุเมศแล้วก็พี่เลี้ยงทุกๆท่ทาน โ, โดยเฉพาะาพี่ที่เขาเข้ามาช่วยสอนนะค ะ, ะ, ะเขาให้ช่วยดูสภาวะที่ไม่เคยได้ได้เจอกันคือเต้นก็มาที่นี่บ่อยนะคะแต่ก็ไม่เคยที่ว่าจะได้แบบส่งกันบ้านตัวต่อตัวกับพี่เลี้ยงให้คําแนะนําที่ว่าเราสามารถไปปฏิบัติได้ที่บ้านแล้วก็กิจกรรมนี้ทำให้แม่กับลูก เสามารถที่จะแบบว่ารู้ตื่นขึ้นมาได้แม้ว่าลูกตัวเองจะแบบว่ายัางยังยังม่ภาวนาไม่เป็นแต่ก็รู้สึกรู้สึกตัวขึ้นรวมถึงครอบครัวทุกท่านระวังนะนถ้าให้ลูกส่งลูกบอกแม่ยังภาวนาไม่เป็นมีนะเมื่อวานเขาถามหลวงพ่อหนูตกใจเพราะเห็นว่าเขาภาวนาไม่เป็นแต่เขาถามว่ามนุษย์ที่ว่าเกิดคนแรกคือใครอ่ะโอ้เรียเองเหรอตอนกตกใจเหมือนกันว่าเขาจะถามว่าอะไรเ <H it> พราะว่าเขายังภาวนาไม่เป็นจริงๆอ่ะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็เป็น หลงพ่อฟังแล้วกลัวเลยคนแรกเป็นใครว่ารีบนึกใหญ่อาอดัมกับอีฟหรือเปล่าค่ะแล้วจะขอบคุณขอบคุณขอบคุณจากใจค่ะแบบที่เล้ททงทุกท่านทุกคนเลยอะคะ่ะรวมทั้งผู้ปกครองที่มาะคะ่ะแล้วตอนนี้หนูขอถามเรื่องส่วนตัวบ้างอะคะ่ะจิตของหนูตอนนี้เข้าใจว่าตื่นขึ้นมารู้ตัวได้มากขึ้น แล้วก็แต่ยังไม่ถึงคำ ว, ว่าถึงฐานเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจอะคะ่ะแสดงว่าตวเตยังไม่ถึงฐานใช่ไหมเรายังไม่เข้าใจสภาวะนี้เออถ้ายังไม่ถึงก็ไม่เข้าใจหรอก <c oughs> ใจมันจะกระจายออกไปกว้างๆโล่งๆกว้างๆนะมันไม่ค่อยย้อนเข้ามาที่ตัวเองหรือเวลาจะย้อนเข้ามาไปประคองนิ่งๆไวนะ้งั้นจิตที่ถึงฐานนะั้นเป็นจิตที่รู้ตื่นเบิกบานตั้งมั่นอยู่โดยไม่ได้จงใจให้ตั้งมั่น ถ้าตั้งอยู่โดยจงใจตั้งนะยังไม่ใชนะ่ถ้าจงใจตั้งมันจะแน่นๆขึ้นมานะอย่าไปดึงนะดึงอยู่ใช่ไหมคะแน่นไหมล่ะตอนแรกเข้าใจว่าพอเรารู้ป๊บพอคำว่ารู้พอรู้เสร็จแล้วเห็นตัวที่ถูกรู้นี่ดับแต่ก็คือไม่เกิดความไม่มั่นใจก็ประคองต่อคนทั่วไปนะพอมันหลงไปปุ๊บรู้ว่าหลงอันี้พอดีเลยนี่นักปฏิบัตินะพอลงไปปุ๊บพอรู้ทันว่าหลงเพ่งเลย กลัวจะหลงอีกนะมันจะเกินมาจะนิ่งๆทื่อๆขึ้นมาอย่า ก, กลัวหลงหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะให้ฝึกไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะดีฝึกดีขึ้นเยอะเลยร้1ยเจสบนค่ะนมมัสการหลวงพ่อค่ะออพอดีวันนี้เป็นวันเกิดนะคะแล้วก็ตั้งใจจะมากลับหลวงพ่ อ, อทีนีออ้อยากจะรบพวนหลวงพ่อช่วย สอนวิธีดูสภาวะธรรมมาหาเพื่อจะได้นําไปปฏิบัติต่อจ้ะพ่อแม่ยังอยู่ไหมยังอยู่จ้ะไปหาพ่อแม่ด้วยน ะ, ะมาหาแต่หลวงพ่อไม่ได้นะเดี๋ยวกลับไปแล้วจะกลับไปหาพ่ อ, อ, อแม่ดีน ะ, ะอย่าลืมพ่อลืมแม่เรานะเห็นพระในบ้านสภาวะธรรมอยู่กับตัวเราอยู่แล้วสภาวะธรรมไม่ต้องไปขอคนอื่นนะโกรธเป็นไหม กดดูออกค่ะเศร้าดูออกแต่ว่าเวลาหลงไปคิดจะดูไม่เคยทันเลยเออนะเพราะหลงเนี้ยดูยากกว่าโกรธโกรดนี่เป็นของดูง่ายที่สุดนะโลภละโลภดูเป็นไหมดูออกแล้วค่หลงเนี้ยดูยากกว่าโลภอีกนะโลภดูยากกว่าโกรธนะดูหัดดูไปเรื่อยๆนะแต่ไปวิธีเจ๊ฝึกดูหลงที่ง่ายๆนะท่องพุทโธเล่นๆพุทโธพุทโธพุทโธเล่นๆนะใจหนีไปคิดเรารู้ทันหรือไม่ก็ไปสวดมนต์เข อะหั่งส้ำ ม, มาซ้ำพุดโทอะไรนี้ใจหนีไปแล้วก็รู้ไม่ว่ามันนะไม่ดึงคืนคแค่แค่รู้ว่าหนีไปแล้วก็สวดต่อไปอีกเดี๋ยวมันหนีอีกรู้อีกนี้อีกรู้อีกนะในสุดมันจะไม่หลงไปค่ะส่วนใหญ่ที่อย่างปัจจุบันปฏิบัติในตอนปัจจุบันเนี้ค่ะคือจะทราบก็แต่เมื่อคิดจบไปหมดแล้วอะค่ะเราค่อยมารู้ทีหลังอะะเออย่างนั้นก็ยังดีนะจบไปนานหรือ ย, ยงังนานเหมือนกันนานก็ไม่ค่อยดียิ่งนานยิ่งไม่ดีนะทีนี้มัน ก็คือทําตามที่หลวงพ่อบอกคือหัดพุดโทโธแล้วก็สังเกตเอาใช่ไหมคะหัดพุดโทโธแล้วสังเกตเอานะจะไหวขึ้นสติจะได้เร็วขึ้นถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เลยเวลาจิตร่อนเร่ไปเราดูยากะนะถ้าจิตมีบ้านอยู่พอจิตนี้ไปจากบ้านนิดเดียวเราก็รู้แล้วว่าหลงไปละค่ะนะนั้นหาบ้านให้จิตอยู่อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบอะไรก็ได้เหมือนกันหมดนะนะแล้วคอยรู้ทันจิตนะพอนะจิตหนีแล้ว ร, รู้ ปกติจิตหนีทั้งวันอยู่แล้วถ้าจิตไม่มีที่อาศัยไม่มีบ้านอยู่มันร่อนเล่ไปเรื่อยดูยากค่ะให้มันมีบ้านไหมขอบคุณนะคะเบอร์ร้อยสี่ร้อยสี่กล่าวนามัสการหลวงพ่อคะ่ะตอนนี้ไม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูรเริ่มเนี่ยคะ่ะวันนี้หลวงพ่อเทศเรื่องนี้นะคะ่ะแล้วก็รู้สึกสงสัยว่าเหมือนเข้าใจมาตลอดว่าตัวเองรู้รู้รู้ถูกอะคะ่ะ แล้วก็มาเข้าใจว่าจริงๆเรารู้ไม่ถึงจริงๆคือมันก็เป็นคลาลๆนะมันไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยอย่างเช่นเวลาหลวงพ่อบอกว่าลองย้อนเข้ามาดูแต่ก่อนเวลาหลวงพ่อพูดกับคนอื่นหนูจะลองย้อนดูค่ะปรากฏ ว, ว่ามันเหมือนเราทิมเข้ามาตรงอกแล้วต่ อ, อต่อมาก็ภาวนาแล้วก็รู้ว่าจริงๆไม่ใช่แต่ว่าสภาวะตรงเนี้ยจะถูกดูด้วยอ อีกตัวหนึ่งเลยคะทีนี้ความตั้งมั่นเนี่ยที่หนูเข้าใจเนี่ยเหมือนเข้าใจแค่3 0มคือเคยเห็นว่าความตั้งมั่นจริงๆเราต้องรู้ว่าตัวเนี้ยรู้สึกยังไงกับสภาวะที่เห็นใช่ไหมคะยินดีรู้สบายๆนะอย่าไปจ้องใส่ตัวนี้นะตัวนี้ห้ามจ้องเด็ดขาดเลยจ้องแล้วติดเป็นปีเลยแก้ยากที่สุดเลยหนูเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองเระลึกตัวนี้ได้เมื่อไม่นานมานี้แล้วก็เหมือนความเขาเรียกความตั้งใจที่จะดูตัวเนี้ยมันมากกว่าตัวข้างล่างใช่ไหมคะ มากไปถ้ามากไปใจจะทื่ๆนะได้เป็นธรรมชาติหลวงพ่อเคย<อ>งสงสัยหลวงพ่อเคยสงสัยมาตลอดเลยพอมันแยกเป็นสองตัวเนี่ยนะตัวนี้เป็นคนดูใช่ไหมมันก็น่าจะเป็นจิตใช่ไหมตัวนี้ยเป็นคนรู้คนดูได้จิตอยู่ตรงนี้หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตก็ควรจะดูอยู่ที่นี่ตัวนี้มันทุกข์ใช่ไหมตัวนี้ไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ก็ควรจะดูที่นี่ตกลงมันจะดูที่ไหนใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ เออนั่นแหละหลวงพ่อไม่ถามครูบาจจารย์เก็บไว้ดูเองนะใช้เวลาสัก20ปีก็เข้าใจขึ้นมาหลวงพ่อบอกให้มีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อเทศแล้วบอกว่าจริงๆเราดูไตรลักษณ์ไม่ว่าตัวร่างตัวบนมีเรามีหน้าที่ดูแล้วก็ใช่นั่นแหละออผลการ2ี่สิปีแหละดูไตรลักษณ์ไม่ได้เอาอะไรสักตัวเดียวเลยมีอยู่เพื่อจะอะไรเพื่อจะได้เห็นว่าสภาวะแต่ละสภาวะคนละอันกัน แล้วแต่ละสภาวะตกอยู่ใต้ใจรักทั้งสิ้นตัวรู้เองก็เกิดดับนะตัวความปรุงแต่งสังขารตัวเวทนาก็เกิดดับนะเกิดขึ้นในอกนี้แหละอีกนิดนึงนะคะเราหนูมีความรู้สึกว่าทำไมฐานของหนูมันจะอยู่รอบๆกายอะคะ่ะนั่นไงมันไม่เข้าบ้าน <laughs> ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรารู้กายหรือเปล่าคะไม่รู้สึกกายไปเรื่ยนะอย่าให้มันกว้างๆออกไปนะ อ, อ, อย่างเช่นถ้าไม่รู้สึกตัวหลงๆจะรู้สึกว่ามันอยู่นอกมากแต่ตอนนี้ เ, เหมือนมันอยู่ อ, อดีนะนะั่นแหละมันกลับเข้ามาใกล้บ้านแล้วแต่มันก็ไม่เข้ามาทางใจยัง<ช>ไม่ถึงใจอยากมันทําอะไรไม่ได้ใช่ค่ะทำอะไรไม่ได้ไไไดแต่ฝึกได้นะฝึกรู้สึก<อ>กายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะ จิตใจสุขทุกข์ดีชั่วขึ้นมารู้สึกจิตใจยินดียินร้ายขึ้นมารู้สึกถ้าเรารู้สึกเข้าถึงความยินดียินร้ายได้นะมันเข้าฐานเลยเมืันเข้ามาแนบถึงใจเลยกับนมัสการค่ะ49นมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อ อ, อ, อยากตั้งแต่ปฏิบัติมาเนี่ยก็รู้ว่าสติที่เกิดขึ้นเป็นยังไงแต่ว่าพูดดังดังนิดหลวงพ่อแก่แล้วอูดึง ก็ ه, ตั้งแต่ปฏิบัติมาเนี่ยเข้าใจว่าเวลาสติเกิดเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราเห็นสภาวะอะไรยังไงแต่วันหนึ่งเนี่ยมีนักปฏิบัติท่านหนึ่งเขาทักว่าตัวหนูเนี่ยมีสติแต่ยังไม่มีปัญญาคราวนี้จะทราบได้อย่างไรว่าเรามีปัญญาแล้วแยก<ะ>ทัดแยกขันได้หรยังกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกได้คะเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งนะแล้วเวลา<ช>แยกแยกแล้วก็นิ่งๆหรู้ป่ะเห็นร่างกายแล้วก็จ้องร่างกายนิ่งๆอย่างนี้ป่ะ ใช่ค่ะนะถ้าจ้องนิ่งๆอยู่ยังไม่เห็นไตรลักษณ์จ้องนิ่งๆคือเช่นเราเพ่งอยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะเคลื่อนไหวเรารู้ตัวไปตลอดเลยบอกว่าเรารู้กายอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เพ่งกายอย่างนี้ไม่เกิดตัญญานะต้องไม่ประคองนะถ้ามีการประคับประคองสักนิดนึงนะมันไม่เดินตัญญาจริงมันจะนิ่งอ๋อแต่สมมุติว่าถ้าอย่างเกิดสภาวะที่ว่าเราเห็นตัวตัวเราเนี่ยเหมือน เป็นแค่ก้อนเนื้อก้อนนึงอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเกิดปัญญาใช่เกิดปัญญาเป็นปัญญานะอย่างนั้นเห็นแล้วมันไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรอยเป็นี้แต่ว่าปัญญาเนี่ยสามารถเกิดเกิดดับดัได้ใช่ไหมคะเกิดดับตลอดไม่มีหรอกปัญญาเกิดทั้งวันไม่มีอ่ะมีนําซ้ํานานๆปัญญาเกิดทีนึงใช่เรื่องสุดท้ายนะคะหนูจะทราบ ขอวิธีที่เอาชนะพิชิตความกลัวที่เกิดจากอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะเราจะพิชิตความกลัวตรงนั้นได้ยังไงคะรู้เอาสิกลัวก็รู้ไปสิไม่มีอะไรสู้รู้หรอก ค, ความกลัวก็เป็นโทสานะให้รู้ทันมันเป็นกิเลส ช, ชนิดหนึ่งความกลัวเป็นกิเลสตระกูลโทสนะ์ถ้าเรารู้ทันว่าเป็นกิเลสนะต่อไปเราก็ไม่ยอมมันหรอก นึกว่ากลัวผีถ้ากลัวผีง่ายๆกลัวอยู่ตรงไหนก็ไปอยู่ตรงนั้นหลายๆทีหายกลัวเลยกลัวตุ๊กแกก็ไปอยู่กับตุ๊กแกน ะ, อ ะ, อะเอาเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งขอคุณค่ะกราบหลวงพ่อครับผมช่วงเดือนสองเดือนมานี้รู้สึกว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงไปครับรู้สึกว่ามั น, มนเบาขึ้น ม, มันโปง่งสบายขึ้นแต่ว่ามันจะเห็นสภาวะได้ช้าลงคือมันจะห่างออกอะฮะ แต่ก่อ น, นสภา<จ>ะวะห่างน ะ, นะแต่มันจะไม่เห็นช้าหรอกนะถ้าช้าเนี่ยแสดงว่ามีการหน่วงจิตให้นิ่งอยู่นิดนึ่งแล้วแต่ก่อนช่วงช่วงต้นปีช่วงปีที่แล้วหลวงพ่อกรุณาชี้ว่ามันมีตัวอุทธจักกุฎจะกเยอะนะครับแล้วพอพอมาเช้านี้เริ่มเริ่มเข้าใจแล้วครับว่ามันเหมือนเป็นลักษณะว่าเป็นแอ่งน้ําเล็กๆอยู่ในตัวเราแล้วมันมีมก้อนหินโยนลงมา<ช>แล้วน้ำมันก็กระชอขึ้นมาแล้วมันก็ กลับลงไปอะฮะแต่บางทีมันเห็นไม่ต้องมีก้อนเห็นโยนมาแต่ว่ามันก็ผุดขึ้นมาเองเลยได้ได้ดูมันทํางานนะแต่อย่าถลําลงไปจ้องมันแล้วผมต้องระมัดระวังตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับเวลาเห็นมันกระเพื่อ ม, ก, อมกระชอกขึ้นมานะอย่าไปจ้องใส่มันแค่รู้นะให้รู้ก็เป็นแค่เป็นกาปรากฏการอย่างหนึ่งแล้วเกิดเราก็ดับไปท่านนึงครับ <นะ S 1> ผมอ ข, อขออนุ ญ, ญาตเรียนหลวงพ่อนิดนึงนะครับพอดีผมไปปฏิบัติเพิ่มที่วัดป่าที่กาลสิน์นะครับ ท่านอาจารย์ท่านเป็นลูกศิษย์ของอพระอาจารย์จันเรียนนะครับ mm hmm. ท่านก็เคร่งในวัดปฏิบัติมากเวลาท่านาพาทำวัดตอนเย็นก่อนทําวัดก็จะพานั่งสมาธิ mm hmm. พายาดโยมนั่งพา mm hmm. พระลูกวัดนั่งท่านก็มักจะเปิดซีดีหลวงพ่อครับ mm hmm. ไว้เป็นท่านบอกว่าเอาไว้เป็นเครื่องอยู่ช่วย mm hmm. ในการทําสมาธิครับ mm hmm. เป็นพระสายปากจริงๆท่านก็เอ า, อาซีดีของพ่อไปเปิดด้วยนะครับผม mm hmm. ครับอยาก เ, <อ>าเรียนทุนะครับผมหลวงพ่อครับวันนี้พอดีผมพาคุณพ่อมาด้วยครับอยากกราบขอคำแนะนำให้คุณพ่ อ, เ, อเรื่องอะไรบ้ับเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปหาครูบาอาจารย์ที่กาลสีนงแนแต่ท่านสิ้นแล้วเจ้าคุณอริยะยามาหาเขียนครับขอกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมได้เดินตามรอย ทำคำสอนของหลวงพ่อนะครับมากับครอบครัวโดวยดีตลอดนะครับซึ่งในขณะนี้รู้สึกว่ า, าสภาพทาง จ, จิตใจของผมนั้นรู้สึกสงบลงนะครับที่มีหลักทำคำสอนของหลวงพ่อไว้คำจุนในชีวิตที่รู้สึกว่า เป็นชีวิตที่คล้ายๆว่าหมดความรู้สึกไปทุกๆอย่างนะครับก็กลับฟื้นขึ้นมามีสติอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่สตินั้นจะแตกไปมากกว่านี้นะครับซึ่งผมก็จะยึดพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพระพุทธเจ้าเนามไม่ใช่ของหลวงพ่อหลวงพ่อจำท่านมาเล่าครับ รักพระพุทธเจ้าไว้ครับดขบีขอกราบขอบคุณครับเอาละเบอร์ห้าสิบห้ากราบนามสการหลุ่พ่อค่ะเอาว่าไปที่วันนี้มาส่งการบ้านอีกรอบเพราะว่าเมื่อวานถามไม่หมดค่ะเอาเหรอเอาหนูจะถามอะไรมีสองเรื่องคะ่ะอเรื่องแรกคือ รู้สึกว่าดูไม่ค่อยชัดอะค่ะอืมดูไม่ชัดรู้ไหมว่าดูไม่ชัดถ้าเวลาเราดูไม่ชัดนะเรารู้ว่าดูไม่ชัดแค่นั้นก็พอแล้วถ้าอยากดูให้ชัดรู้ว่าอยากแค่นี้ก็พอแล้วค่ะนะพเพราะ่ะข้อสองสัญญาดับไปค่ะก็ บางทีเวลาพอดูไม่ชัดเสร็จแล้วมันก็จะแบบหันมาดูกายแทนนะคะแล้วพอดูกายมันจะไปแนบกับลมหายใจอะคะออ่ะมันจะคเครื่องตลอดเลยอะค่ะออนะอย่าให้มันแนบเข้าไปที่ลมนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูให้มันแยกออกจากกันอย่าให้แนบเข้าไปค่ะน ะ, ะ, ะดีะะส่งไปข้างหลังส่งไปข้างหลังอาจารย์นักรสการพระอาจารย์ครับไม่ได้ส่งกันบ้านมาหลายเดือนแล้วฮะมี ข อ, ขอโอกาสถามคําถามก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งกันบ้านนะฮะ<ช>อาจพูดดังๆนิดมี ม, มีความรู้สึกอยู่สองครั้งที่ภาวนาเมืม่อสักปลายปีที่แล้วกับเมื่อสองเดือนที่แล้วไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นความรู้สึกที่ถูกหรือเปล่าแต่ขณะที่ภาวนาเนี่ยเ อ, อจิตมันรู้สึกว่าจิตไม่ใช่เราออืเสร็จแล้วครั้งแรกเนี่ยมันมีความรู้สึกครั้งแรกเนี่ กลัวฮะกลัววูบขึ้นมาเลยแล้วก็แล้วก็ขาดไปอครั้งที่สองเนี่ยความรู้สึกไม่ไม่ได้กลัวแต่ว่ากลายเป็นความเศร้าอืตอนนี้ก็ยังเศร้าอยู่นิดๆนะฮะคือใจมันยอมรับความจริงไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีตกลงอันนั้นเป็นคิดไปเองหรือว่ามันไม่มันรู้สึกจริงๆรนะรู้สึกจริงๆแต่จิตยังไม่เป็นกลางกับมันมันยังอะไรอาวรอยู่แล้วเมื่อเมื่อคืนก็แวบหนึ่งแต่ว่า พยายามยึดเอาไว้พยายามอะไรนะตรึงฮะตรึงความรู้สึกเมือ่อเกิไปตรึงมันมันเลยหายไปเลย <c oughs> ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าไปตรึงก็หายหมดนะครับนะตกลงตกลงอันนี้รู้สึกรู้สึกได้รู้สึกจริงๆนั่นแหละแต่ว่าใจมันยังไม่ไม่ยอมรับมันไปเห็นความจริงแล้วแต่มันไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีนะมันเกิดตระกูลโทสะขึ้นมาทั้งหมดเลยกลัว นะหรือเศ้าเนี่ยตะกูลโทษาทั้งหมดเลยคือมันยอมรับความจริงไม่ได้ต้องเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะจนใจมันยอมรับความจริงได้นะ <c oughs> ดีนะอาจารย์ขออาจาฐาน<ม>เป็นอจาจารย์บูชาแล้วก็พุทธบูชาครับนะ้พุทธบูชาอาจรารย์บูชานะครับ <c oughs> ก, ก็ขอกราบยืนยันตรงนี้ว่าหนทางที่พระอาจารย์สอนมาเนี่ยเป็นทางเอกสายตรงจริงนะฮะแล้วกตรงก็ตรงกับเราเองเนาะ แต่ละคนเขาก็ตรงของเขาแหละครับ <laughs> ทางใครทางมันอย่างงั้นการบ้านผมไม่ต้องส่งนะอ้าวเบอร์38กล่าวธรรมสการ์หลวงพ่อค่ะครั้งที่แล้วที่มาส่งกันบ้านหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าออขอดูตรงลมหายใจนะคะเพราะว่าดูลมหายใจแล้วก็ดูกายพอ ร, รู้สึกว่าพอเวลาทําพุโทโธแล้วเนี่ยรู้สึกจะเข้าไปกริงเข้าไปเพ่งนะคะทีนี้พอมาดูลมหายใจเนี่ย เวลาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเหมือนก็ว่าดูได้เป็นธรรมชาติแต่เวลาพอทําในรูปแบบอะค่ะอย่างบางทีตอนเช้านั่งสมาธิอยู่ในรถอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับมันมันจมๆแนบๆไม่แน่ ใ, นใจาาอะค่ะหลวงพ่อให้รู้เฉยๆน ะ, <ค>ะมันเข้าไปแนบก็รู้นะมันแยกออกมาก็รู้ไม่ว่ามันหรอกแล้วแล้วถ้าเกิดคือมีบางครั้งเหมือนกันที่ดูแล้วเหมือนกับมันมันลงวุบลงไปเลยอะค่ะหลวงพ่อให้มันลงไป มันไม่ใช่การเคลิมหลับใช่ไหมคะไม่เป็นไรให้มันพักลงไปอนะพอมันมีแรงพอมันก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่มาดูใหม่อย่าไปฝืนนะฝืนแล้วปวดหัวค่ะเพราะว่าก็เคยพยายามที่จะฝืนนะคะแล้วก็มึนหัวค่ะสุดท้ายเลยต้องลืมตวปล่อยมันค่ะคือจิตเวลาที่เราดูจิตไปด้วยนะมันจะลงสมถะเป็นช่วงๆนะมันจะรวมเป็นช่วงๆถ้าฝืนแล้วปวดหัวให้มันรวมไปนะพอขึ้นมาแล้วดูใหม่ออื แล้วถ้าเกิดมีคือหลังๆนี้เนื่องจากว่าทํางานค่อนข้างหนักอะค่ะตื่นแต่เช้าแล้วก็กลับดึกบางทีเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยจิตไม่ยอมคือเขาไม่ยอมภาวนาเลยอะค่ะกลับมาแล้วเหมือนกับว่าจะนอนท่าเดียวเลยอะค่ะลงะุงพ่อมันเหนื่อยแล้วละ่ะนะเพราะในชีวิตประจำวันเนีเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะมันไม่มีแรงก็ไม่ไหวก็ก็ พ, พักไปแล้วอย่างนี้มันจะทําให้มันช้าไปมากกว่าช้าบ้างอะแต่ว่ามันจําเป็นมันก็ต้องทํา ะะพ่อขรคคุณเป็นฆราวาสนะมันภาระมันเยอะเครื่องกวนใจมันเยอะหลวงพ่อหนูมีอะไรที่จะต้องปรับเรื่องต้องอะไรหรือเปล่าคะทำใจให้เข้มแข็งไว้ขอขอบคุณค่ะอย่าท้อแท้อย่าป้อแปะนะค่ะพ้อแปะใช่ไหมคะช่วงนี้หลวงพ่อก็เดาว่าอย่างนั้นเลยอ้าวเบอร์สิบสองขอขอบคุณค่ะหลวงพ่อจะขออนุญาตปรึกษาวิธีการปฏิบัติหน่อยค่ะ คือเมื่อปีที่แล้วบังเอิญได้ไปอินเดียนะคะแล้วก็พระพระธรรมทูตที่นำคณะค่ะแอบไปเห็นว่าท่านมีรูปหลวงพ่ออยู่ที่โทรศัพท์มือถือท่านก็ก็เลยไปปรึกษาท่านว่าออออนิยมแล้วก็มักจะมาที่วัดนะคะทางพระรูปนั้นท่านก็บอกว่าท่านฟังเสียงหลวงพ่อเป็นเหมือนเป็นเป็นเครื่องอยู่อย่างหนึ่งอะคะ่ะ ถ้าถ้าเผลอไปก็รู้แล้วว่าเผล อ, ห, อหนูก็เลยขออนุญาตท่านลอกเรียนแบบเอามาใช้แต่ละคนต้องดูนะว่าเราเหมาะไหมกรรมฐานเนี้ยไม่ใช่กรรมฐานเรียนแบบหรอก <c oughs> ทางใครทางมันต้องดูว่าทําแบบไหนแล้วสติเกิดก็ทําแบบนั้นนะเอาอย่างกันไม่ได้หรอกก็ <c oughs> มาทดลองดูนะคะ <c oughs> ก็พบว่าเมื่อไหร่ที่อาจจะทํางานหนักไปนิดนึง <c oughs> หรือว่าไปไกลบ้าน หรือไปอยู่โรงพยาบาลก่อนการผ่าตัดเนี่ยซึ่งซึ่งจะกลัวก็มักจะเปิด iPad เป็นเสียงหลวงพ่อก็จะหายกลัวแต่คือมันมันรู้สึกตัวว่าไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนามากกว่าเดิมอะคะ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะพัฒนาได้มีทางเดียวนะต้องดูกายดูใจของเราเองจะพัฒนาด้วยการฟังเสียงหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้แต่ฟังเป็นเครื่องอยู่ได้ ฟังแล้วจิตไหลไปแล้วรู้ทันไหลแล้วรู้ทันอย่างนี้ใช้ได้นะหรือถ้าไม่เคยปฏิบัติฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติอันนี้ใช้ได้แต่พอรู้วิธีแล้วจะมาฟังแล้วก็จะให้บรรลุมากผลไม่มีใครบรรลุหรอกต้องดูกายดูใจตัวเองทําได้ทำได้แค่ว่าฟังเสียงหลวงพ่อแล้วถ้าเผลอไปคิดเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะรู้เร็วขึ้นถ้าอย่างนั้นใช้ได้ใช้เป็นเครื่องอยู่แต่อย่างนี้ก็คือถือว่าได้ใช่ไหมคะได้ มันได้คะแนนตรงไหนตรงที่หลงไปแล้วรู้ว่าหลงตัวนี้ต่างหากที่ได้คะแนนขอบคุณค่ะอ้าวเบอร์ยี่สิบสี่คนสุดท้ายละที่เหลือใจเย็นๆหลวงพ่อคะเวลาที่เรารู้สึกเหอะเหอที่หน้าดางังทางไหนเราแก่แล้วไม่ได้ยินนะเอะเอเวลาที่รู้สึกเหอที่หน้านี่คือจิตมันมาเกาะที่หน้าเป่าคะ่ะใช่มันคือโมหะใช่ไหมคะฮะมันถือเป็นโมหะเป่าคะ่ะมันโลภะสิมันอยากเพ่งค่ะ <laughs> <laughs> <laughs> แล้วเออเวลาที่าบางครั้งหนูรู้สึกหนูเข้าใจว่าเป็นโมหะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วพอรู้แล้วบางทีรู้สึกว่ามันหายแต่ว่าพอสักพักก็รู้สึกว่ามันมาอยู่ที่เดิมเลยก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้ว เ, เรารู้หรือเปล่าไม่ไม่จําเป็นต้องเรียกชื่อนะจะเป็นอะไรไม่สําคัญหรอกแค่รู้ว่าจิตนี่ไม่เคยเหมือนกันตลอดเวลาแค่นั้นพอแล้วแต่ว่าที่มันกลับมาที่เดิมนี่คือเราได้รู้จริงๆหรือเปล่าคะหรือว่ามั น, มนกลับมาแล้วถ้ามาแล้วแน่นๆนะแสดงว่า เคยชินที่จะดึงกลับมานะถ้ากลับมาแล้วโปร่งร่งเบารู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนียก็ดีถ้ากลับมาแล้วแน่นแสดงว่าเพ่งไปดึงไ้ดึงไหมหนูรู้สึกว่าไม่ค่อยบางครั้งก็รู้สึกว่าแน่นขนาดนี้แน่นไหมนิดหน่อยค่ะอ๋อนิดหน่อยก็แสดงว่าดึงนิดหน่อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะไปฝึกเอานะทุกคนช่วยตัวเองให้ได้ หลวงพ่อก็ช่วยได้เท่านี้เองได้แค่บอกนะทุกคนต้องเดินด้วยตัวเองทางใครทางมันนะเชิญกลับบ้านไป